ทางแห่งการบรรลุสุขอันภัยบุญโคนผ่านปัญญาเลวย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันภัยบูญอธิบายความทางแห่งการบรรลุสุขอันภัยบุญในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจ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 เป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ไดยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทันไว้เพื่อความสุขอันไพ่บุญส่วนที่ทรงเตือนมิให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะ กามเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่างทรงเคยเปรียบการเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแยง่งการขากตกรรมนานาประการที่สําคัญที่สุดคือกามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เราร้อนอยู่เสมอและการนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพลัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพ่อพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพบุญได้ ลักษณะแห่งคนพาณิชย์มันเด็ดนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพานแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพันผ่านดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องพานนั ก, กษัตร์พานนั ก, กษัตย์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพานสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีจะมีการเป่าประกาศให้มีพานนั ก, กษัตย์ทั่วเมืองผู้คนพานพากันเอาขี่เท่าและขี่โคทาตัว แล้วเที่ยวเล่นสรรพดนต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้นบ้างาผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ซับบาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสาวัตถีมีอริยสาวก อ, อยู่มากท่านเหล่านั้นได้เห็นการเล่นรื่นเริงของคนผ่านแล้ว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 ผูดทั้งสองเหมือนจะแตกทําลายไม่มีใครละอายใครกันเลยผู้ข้าพระองค์จึงขอมีให้พระองค์และภิกษุสอ์ออกมาภายนอกแม้ผู้ข้าพระองค์เองก็ไม่ได้ออกนอกเรือนเลยพระศาสดาตรัสว่ากิริยาของผู้คนผานย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมสามารถบรรลุอมะตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ ด้เบิกต้นแล้วนั่นแหละ